ไปเอาเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาใส่จิตตัวเองบ้างยกมือขึ้นวันนี้ไปหาเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องวุ่นวุ่นวายวา ย, วายมาใส่จิตตัวเองมีไหมลบมันออกลบมันออกมันเพิ่งเข้ามาใช่ไหมล่ะมันไม่มากับเราตั้งแต่เกิดจริงไหมมันเพิ่งเกิดทิ้งทิ้งเข้าใจไหมล่ะวันนี้ไม่ต้องภาวนาอะไรแล้วทิ้ง ไม่เอาเรื่องอะไรไม่หาเรื่องไม่ต้องหาเรื่องไม่ต้องมีเรื่องไม่เอาเรื่องวุ่นวุ่นไม่หาเรื่องยุ่งยุ่งมาเก็บเอาไว้ไม่เก็บปล่อยปล่อยตัดทิ้งวางวางนี่หมายความไม่เอาอะไรอารมณ์อารมณ์มันเป็นแค่อารมณ์ พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วพ่องสายอยู่แล้วสว่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมันเศร้ามองเพราะอุปกิณเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะจอเข้ามามันเป็นอารมณ์จอรเข้ามาเฉยจิตเราน่ยมันพ่องายอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วมันเบิกบานอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วในจิตเน่ะ เราเป็นคนไปหาเรื่องไปหาเรื่องเอาเรื่องมาเรื่องนั้นก็คือมันก็เรามีชีวิตอ่ะธรรมดาการมีชีวิตอ่ะมันก็ต้องมีนู่นมีนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นนันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะทุกคนก็มาตามกรรมอ่ะมีกรรมผลักดันให้มาเกิดแล้วกรรมมันก็คอยบัญชาการอยู่ควบคุมอยู่ ด้วยอำนาจของกรรมมันก็ต้องมีนั่นมีนี่นู้นนู้นนี่นี่นนนทีนี้จิตของเรามันไม่รู้ตรงนี้มันไม่เข้าใจถึงเข้าใจมันก็ไม่เคยฝึกอะ่ะมันไม่ปล่อยมันไม่วางมันก็ไปเอาเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามายุ่งเอามาวุ่นวายอยู่ในจิตเรียกว่าจิตเรานั่นแหละมันไปหาเรื่องวันนี้ลองไม่หาเรื่องไม่เอาเรื่องอะไรเลยเข้ามาอยู่ในจิตเนี่ย เพราะไอ้ตัวนั้นไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนตัวจิตเองน่ะมันเป็นอนัตตาเขาว่าอนัตตาคือยังไงอ่ะไม่ได้มีตัวตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติแต่อุปทานน่ะไปยึดเอาไว้ยึดว่าเป็นเราเคยมีเดือนก่อนๆ น, นู้นอ่ะมานั่งภาวนากันอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> ทีนี้ก็มีพายุ มีลมพัดแรงๆนะฝนตกลมแรงเราก็บอกว่าให้คุมจิตไว้คือคือให้วางเฉยให้ปล่อยอ่ ะ, อะมันจะตกฝนจะตกฟ้าจะร้องลมจะแรงอะไรก็ช่างมันคล้ายๆกับจะทดสอบจิตดูว่ามันว่นไหวไหมจิตเนี่ยถ้าเราตั้งสติ ด, ด, ดีก็เห็นอาการของมันอ่ะบางคนก็เห็น ไม่เคยเห็นก็เห็นจิตมันยุกยิกยุกยิกคุมไว้คุมไว้เดี๋ยวก็ดับไปมีคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าขันห้าคืออะไรแต่วันนั้นน่ะมันมีพายุมีฝนตกเราก็บอกว่าให้คุมจิตไว้คุมจิตไว้ไม่ออกเขาพอดีเขาบอกว่าไ อ, ไ อ, ไอก้กระจกรถเขาอ่ะมันเปิดเอาไว้ไอ้จิตมันก็ห่วงว่าฝนจะสาดฝนจะสาดมันก็ดิ้นดิ้นดิ้นจะทํำยังไงจะให้อยู่มันก็ไม่อยู่มันก็เป็นห่วง เป็นห่วงว่าฝนจะสาดกลัวของจะเปียกก็เลยเห็นแต่อาการของจิตที่มันวิ่งไปวิ่งไปก็คุ้มไว้กลับมาวิ่งไปวิ่งมานี่คือจิตถ้าปัญญาเขาพอก็เอาเปียกเปียกไปสิเพราะตอนนี้เราจะฝึกจิตเราเราจะให้จิตนี้มันมีปัญญาให้มันรู้ว่าตัวมันเองนั่นแหละตัวจิตเองนั่นแหละไม่ใช่เราเป็นอนัตตา มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันชุกจิกจุกจิกมันวิ่งไปวิ่งมาไปเอานู่นเอานี่หาเรื่องหาเล่าอยู่สุดท้ายตัวจิตนั่นแหละเป็นต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดเลยเนี่ยวะหัดทิ้งมันซะบ้างไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องเอาอะไรตัดเลยเรื่องเล่าทั้งหลายเนี่ยเอาลองหันมาดูร่างกายสิเอาจิตไปหันดูร่างกายตายไหมถามมันเลยตายไหมเนี่ยมันจะเป็นเราตลอดไปไหม จะอยู่อีกกี่ปีจะอยู่อีกกี่ปีวะใส่เข้าไปเลยมันก็ไม่กี่ปีหรอกแล้วจะดิ้นรนอะไรนักหนาจะวุ่นวายอะไรนักหนาคือเดี๋ยวอยากให้จิตมันรู้ให้มันรู้ให้มันแจ้งเลยนะแจ้งเลยไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วมันรู้ด้วยความรู้สึกของมันด้วยให้มันเห็นเลยอะ่ะให้มันเห็นต่อหน้าต่อตายขนาดร่างกายเราเนี่ย มันยังตายมันยังสลายมันยังไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วคนอื่นอ่ะโอ้โหคนอื่นเนี่ยมันจะไปวุ่นวายอะไรกันเขาก็ไปตามกรรมของเขามาตามกรรมไปตามกรรมก็เรื่องของเขาไปสิไอ้จิตมันจะได้เลิกวุ่นวายเลิกเอาเรื่องยุ่งยุ่งมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์สักทีมันจะได้เลิกสร้างปัญหาสักทีหนึ่งแล้วไอ้ตัวจิตเนี่ย มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะอย่างที่ว่ายกตัวอย่างว่าโยมคนนั้นอ่ะแค่เปิดกระจกทิ้งเอาไว้ตอนแรกก็ไม่ได้นึกอะไรนะก็ภาวนาไปพอฝ น, นตกลมแรงเขาก็พยายามที่จะคุมจิตอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยโอ้ทุกข์แค่ว่า แ, แค่นิดเดียวเนี่ยเปิดกระจกเอาไว้กลัวฝนาสาดกลัวของมันเปลี่ยนของอยู่ในรถแง่ก็จุกจิกจุกจิกจุกจิกของแก่แต่แกก็ไม่ได้ลุกไปนะหมดเวลาแล้วแกก็มาหามาเล่าให้ฟัง บอกแกเห็นว่าจิตของแกเนี่ยวุ่นวายมากยุ่งมากทุกมเมลเล็กๆน้อยๆนี่แหละแทนที่มันจะปล่อยวางทิ้งไม่เอาอะไรเปรียกก็เปียกไปท้าเราเราต้องกาจุจิตเนี่ยมันต้องกล้ า, าหารปัญญามันถึงมันก็ทิ้งได้วางได้อะไรอะไรมันก็ไม่มีค่าเท่าธรรมะหรอกให้จิตเราเห็นธรรมะรู้ธรรมะรู้ธรรมะก็รู้ว่าไม่มีอะไรด้วยนะ มันก็ไม่อยากรู้สิคนส่วนใหญ่่ะแต่คนที่มาปฏิบัติเนี่ยไทยรู้เห็นว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่ว่ามันเบามันสบายมันลื่นเลื้งบันเทิงเบิกบานกันวันนี้ก็เลยเอาปฏิบัติให้มันรวบรัดบ้างถ้าเราไปดูลมไปพุทโธนี่แหม่มันก็ทํามานานแล้วนะของหน้อยุบหนออะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแช่อยู่อ่ะมันเหมือนมันไม่เก่าหน้าคราวนี้เอาความจริงยัดใส่เข้าไปเลยตายไหม ที่นั่งอยู่นี่ตายไหมถ้ามันตายแล้วจะไปเอาอะไรอ่ะมันจะเอาอะไรทิ้งจะห่วงใยอะไรเนี่ยตายแล้วสิ่งที่อยู่ในโลกเอาไปได้ไหมใส่เข้าไปเลยม่นเอาอะไรไปได้บ้าง เ, เ, าไไเงินงมออนเนัเอาไปได้ไหมเงินเครื่องใช้ไม้สอยอะไรบ้านเรือนรถเอาไปได้ไหมอะไรก็ตามที่เราอะไรเอาวอลห่วงแหนขนาดไหนเอาไปได้ไหม เอาให้มันสะดุดทั้นที่ให้มันเอาให้มันจนมุมเลยไอจิตเนี่ยมันจะได้ปล่อยมันไม่ปล่อยไม่ได้หรอกมันจะไปเที่ยวหาแต่เรื่องมาวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในจิตอะ่ะมันไม่คุ้มค่าการเป็นมนุษย์เลยอะ่ะมนุษย์มันต้องเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐได้เพราะฝึกเพราะมีปัญญาไม่ต้องหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้พอไปเจออะไรเข้าก็เอาอีกแล้ววุ่นอีกแล้ว เวลาวุ่นก็ไปโทษแต่ข้างนอกนะเป็นเพราะเขาคนนั้นเป็นเพราะคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้วนเวียนอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นว่าเนี่ยจิตนี่แหละตัวยุง่งตัวจิตนี่แหละเพราะมันหลงมันโง่แล้วก็หลงด้วยแถมบ้าด้วยบางเรื่องไม่ควรไปยุง่งมันก็ไปยุง่งนี่มันบ้าทั้งโง่ทั้งหลงทั้งบ้าคราวนี้ลองหายโง่บ้าง หาหลงหายบ้าไม่เอามาให้เรื่องอะไรมายุ่งไม่ให้เรื่องอะไรมากวนจิตเองนั่นแหละเป็นตัวยุ่งในเมื่อมันยุ่งนะักก็ทิ้งมันซะเลยเฉยเลยเฉยเฉยถ้ายังวางไม่ได้ก็เอาสมควรทำอนีรก็ทําอันนี้หมายว่าเราพูดถึงจุดของมันเลยนะเนี่ยหมายว่าเอาให้มันความจริงเข้ามาเลยเอาสัจธรรมของมันเนี่ยมาพูดให้ฟังเลย เพื่อให้จิตเนี่ยมันตื่นขึ้นมาบ้างภาวนาก็มันทำอ่อนแอพุทโธพุทโธพุทโธงอกแงกงอกแงะวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่เลยไม่ต้องหาเรื่องอะไรไม่ต้องเอาอะไรพุทโธพุทโธไม่เอาด้วยเฉยเหมือ ใ, ในเมื่อร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วจิตใจมันก็อารมณ์ทั้งหลายก็ปรุงแต่งขึ้นมาเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับด้วย เนี่ยจิตเรามันก็ต้องแข็งแรงขึ้นมาสิเข้มแข็งขึ้นมาสิตั้งมั่นขึ้นมาสิเพอเราเอาจริงกับมันแล้วนี่ให้มันมองดูเลยที่นี่ให้จิตเนี่ยมันเป็นตัวดูดูเฉยๆรู้อยู่เฉยๆแต่ตัวมันเองเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราล็อกมันเป็นจิตเราไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดไม่อยากให้มันไปยึดไปติดไปค้องอะไรมันก็ไปยึดไปติดไปคล้อง เพราะอำนาจของอุปท า, านที่มันอยู่ในจิตนั้นมันไม่ใช่เรานะไปยึดอะ่ะไม่ใช่เรานะจะไปเอาอตัวอุปท า, านแล้วตัวสั่งการจริงๆก็คือตัวตัญหามันหลอกเราว่ามันจะทำเพื่อให้เรามีความสุขแต่ทำไมมันจึงเป็นทุกข์ล่ะนั่นมันหลอกเราทำให้จิตเราดิ้นลนมันหลอกเราว่ามันจะไปเอามาเพื่อให้เราเป็นสุข แต่ว่ามันกลับทําให้เรานี่เป็นทุกข์ทำให้จิตเราดิ้นหลนวิ่งไปตามอํานาจของกิเลสตามอํานาจของตัณหานั่นแหละตัวอุปทานมันก็เลยทํานู่นทํานี่ทํากรรมตามอํานาจของอุปทานนั้นมันจึงเป็นพบพาไปเกิดเป็นชาติชาติก็ต้องมีชรลามลณะโศกะน่ตามมา ปาริเทวะนี่พวกที่ร้องไห้ลำพึงลำพันน่ะโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ลำพึงลำพันมาจากไหนนี่แหละไม่ทานอาการของจิตเหล่านี้จิตมันหลงแต่จริงๆแล้วจิตก็ไม่ใช่เราด้วยมันไม่มีในอะไรเลยเพราะนั้นทางรัดสั้นก็ไม่เอาอะไรเลยมันะคิดคิดๆไปเลยมันอยากเอาอะไรเอาเลยแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปเอากับมันทุกข์ค่ะ ทุกกายโอ้บางทีมันโอ้โหจิตเนี่ยมันก็ทําให้ทุกกายได้นะคิดมากๆนี่ปวดหัวเลยปวดท้องเลยเออนะระบบของร่างกายนี่มันลวนไปหมดเลยนะมีคนหนึ่งเวลาเขาไม่สบายใจเนี่ยโอ้ปว่วยเลยระบบกับเพราะอาหารนี่ปั่นป่วนเลยนะซุดทันทีเลยเป็นไข้ขึ้นมาเป็นไข้ตัวร้อนท้องร่วงไปหาหมอ เงียบจิตนี่มันทํำลายร่างกายได้ด้วยน้ำก็มีผลต่อรูปรูปก็มีผลต่อน้ําทุกข์ขาดโท ม, มานัสทุกใจอุปยาสะเหวี่ยแห้งใจเหวี่ยแห้งใจเหมือนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นู่นละมองไปทางไหนโอโ้โหมีแต่ทุกเวลามันทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้นะมองไปทางไหนนี่มันโอโ้โหเหมือนกับเป็นทุกแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะจิตเราหลงเอง ไปให้ความสําคัญมั่นหมายเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเพราะกรรมมันคอยบัญชาการอยู่ด้วยอํานาจของกรรมนี่มีเหตุแล้วมันต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเรารับมือไม่ถูกที่นี่เราไม่รู้ว่านี่อํานาจของกรรมเราทํามาเองเหตุปัจจัยมันมีมันก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราก็โอยอมรับแต่จะต้องเอามาสอนจิตเราให้จิตมันรู้ความจริงขึ้นมาให้ได้ มีคนหนึ่งเขามาปฏิบัติที่บ้านไทยล่ะเขาบอกเขาป่วยเขาป่วยหนักป่วยหนักแต่ว่าเขาก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วจิตเขามีกําลังขึ้นมาเติบเ ต, บ, ตบขึ้นมาโอ้มันแยกออกจากความป่วยความไข้ทันทีเลยนะแยกออกจากร่างกายได้เลยเฮ้ยโรคเบาลงทันทีเลยนะดูสิจิตนี่สาคัญมากเลยนะเราไปให้ความสําคัญมันมากไปยึดไปติดข้องมากอ่อนแอเลยร่างกายเราจิตใจอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอไปด้วยนี่จิตมันขึงเลย ถ, ถึงไม่เอาให้ป่วยแต่กายเท่านั้นแยกออกเลยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องข้างนอกเท่านั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นไอ้จิตนี่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งหลังจิตเราไว้ถ้ามันไม่เชื่อฟังเลยไอ้จิตนี่แหละตัวการเห็นไหมมันเป็นตัวยุ่งเนไอ้ตัวจิตนี่เป็นตัวยุ่งนี่มันอยากยุ่งก็ยุ่งไปเราไม่ทําตามมันทีนี่เราไม่ไปทําตามมันแล้วดูซิมันจะเป็นยังไง เนี่ยจริงว่าต้องตัดไ ม, ตไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเข้ามาเรื่องยุ่งยุบุญวุ่นเรื่องคนนั้นคนนี้ตัดซะก่อนเพราะตอนนี้เรามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่เอาก็คือปล่อยว่างก็เห็นสิไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ว่างเปล่าขึ้นมาไม่มีอะไรเลยจิตเนี่ยมันยุ่งดีนักตัวยุ่งเราไม่ต้องไปประคองมันแล้วดิเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันตัวยุ่งตัวยุ เราก็วางมันอันนี้สำหรับคนที่จิตมีกำลังอะ่ะมันจะชัดเจนขึ้นมันจะทำได้ส่วนคนที่จิตยังไม่มีกำลังที่นี่ก็ได้ขนาดไหนก็เอาสิแต่ยังไงยังไงเราเอาความจริงเนี่ยให้มันดูไปดูซิมันจะยอมรับความจริงได้ไหมอย่างน้อยมันก็ต้องดีขึ้นสิพอจิตมันยอมรับความจริงเราสรุปละว่าธรรมะจริงๆอะ่ะมันก็คือจิตเราเนี่แหละอยู่กับความจริง แล้วมันก็จะปล่อยวางทุกเรื่องราวแม้แต่ตัวจิตเองมันก็ไม่ใช่เราถ้าใครเห็นอย่างนี้ได้นะเบาทันทีเลยนะเบาที่สุดเลยอะ่ะแต่เวลาเราเออกไปเกี่ยวข้องกับโลกกลับไปบ้านไปเรือนอันนี้เราเพื่อสอนจิตเราอั น, นเนี้ยธรรมะเนี่ยมันเพื่อสอนจิตเราให้จิตเรารู้ความจรงิงเข้าใจความจรงิงแต่เวลาไปเกี่ยวข้องภายนอกอะ่ะถ้าจิตของใครเนี่ยมันเข้าถึงความจรงิงรู้ความจรงิงมันยิ่งรู้วิธีที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเลย เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมันจะรู้ว่าคน น, ค, ววงงคนนี้ควรเกี่ยวข้องยังไงคนนี้ควรเกี่ยวข้องยังไงควรทํำยังไงคล้ายๆจิตมันตื่นอยู่ตลอดมันมองไปทางไหนมันก็เข้าใจอ่ะมันไม่มีอะไรปิดบังจิตเอาไว้เรามีอารมณ์อะไรมันเข้ามาบังสิทะเลาะกับแฟนมาซัว ง, งินนะโอ้โหจะทําอะไรสักหน่อยนี่แฟนเรื่องของแฟนปุ๊บเข้ามาเนี่ยช ง, งักเลยนะจังงังเลยเหมือนคนต้องมนเลยอ่ะนี่มันคุณภาพของชีวิตมันก็ลดลงไป เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าไปยึดไงเพราะเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติมันก็เที่ยวไปหาเรื่องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแต่ถ้าปฏิบัตินี่มันเกี่ยวข้องกันถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็ลดลงไปถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าโอ้เนี่ยที่เราทำเอาไว้เป็นอย่างนี้เองมันต้องมีเหตุสิมันจึงมีผลเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมันมีก็คือกรรมที่ไม่ดีที่เราเคยทําเอาไว้ พระนพรเจ้าจึงบอกเลยกรรมไม่ดีเนี่ยสิ่งไม่ดีไม่ให้ทำเลยไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ทำชั่วทั้งปวงสัพปาปัสสะอากาศระนังเนี่ยบอกเลยต้องไม่ทำบาปทั้งปวงต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งปวงเลยกุศละสู้ประซึมปดาทำกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆมากน้อยก็ต้องได้ทำถ้ามีโอกาสทาทันทีจะเล็กจะน้อยก็ทา อย่างมาที่นี่เอาสมควรทำยังไงทำเลยถ้ามันเป็นความดีทำนิดหนึ่งมันก็จะเป็นผลเกิดขึ้นผลดีเกิดขึ้นแกเราทันทีเลยนะนี่เรื่องของกรรมมันเป็นอย่างนี้นะมันเกิดทันทีเลยเนี่ยธรรมชาติอันนี้ทำบาปนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นทันทีเลยพยยระเจ้าจึงบอกาบาปแม้เล็กน้อยก็อย่าไปทำความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าไปทำพะทำแล้วผลมันเกิดขึ้นเนี่ยเพอเงาสั่งเด็ดขาดเลย จากนั้นก็ชำละจิตให้ข่าวรอบนี่คือบทตัดทิ้งไม่เอาไม่ยึดไม่หลงนี่เราปฏิบัติก็เพื่อนี้ยังจำได้สมัยมาสอนใหม่ๆทีนน่นครปฐมเนี่ยไปสอนที่ธรรมทายะไปสอนอยู่ที่นั่นมันมีโยมคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะเขามาปฏิบัติแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ครับผมนี่ปฏิบัติมาสามสี่ปีแล้วพุโทโธพุโทโธมาเนี่ แต่ว่าจิตของผมมนอะมันไม่เป็นสมาธิเลยมันไม่อยู่เลยเลื่อนลอยๆยเนะี่ยเขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าเชื่อไหมถ้าตายลงไปเนี่ยร่างกายมันจะกลายเป็นดินเผาไฟก็เหลือแต่เท่าฐานกระดูกก็จะกลายเป็นดินลมก็ไปน้ําไปอย่างอื่นหายไปหมดเหลือแต่ดินเชื่อไหมเชื่อถ้าอย่างนั้นเอาให้จิตคุณเชื่อได้ไหมครับครับเขาก็ไปเลยเนาะ ให้มองลงไปที่ร่างกายคือเลิดพุทโธสักทีหนึ่งกเมมมันทํามานานแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยแล้วยิ่งทํายิ่งเลือดลอยจ่อเข้าไปเลยมองให้จิตมันส่องดูร่างกายดินดินดินให้พูดว่าดินดินเนี่ยแล้วก็ให้จิตมันรู้สึกว่านี่แหละคือดินตื่นเช้ามาพอพบหน้าว่าบโอท่านอาจารย์ครับเมื่อคืนนี้จิตผมไม่ไปไหนเลยครับคือให้มันดูความจริงกันไปเลย แต่ถ้าใครเออพุโทโธถูกจริตว่าพุโทโธพุโทโธแล้วจิตอยู่อแล้วก็ต้องมาดูกายนี่แหละดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือดูขันห้าว่าไม่ใช่ของเราแต่ถ้าใครเก่งจริงเชื่อพระพุทธเจ้าเด็ดขาดลงไปไม่ใช่เราแน่นอนทิ้งทันทีทิ้งทันทีไม่ต้องเอาไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วโวยกูไม่เอาอีกแล้วโวยโอ้อย่างนี้เด็ดขาดเลยนี่บรรลุฉับพันได้เนี่ยเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้านี่มีการบรรลุฉับพันเนี่ย ก็คือมันเด็ดขาดมันไม่เอาจริงมันไม่ต้องไปเสียเวลาเลยแต่ถ้าเรายัางทํำไปได้มันก็มีทางพระพุทธก็กสอนนะเจริญสติหลังจากที่ทําอะไรถูกต้องรักษาศีลทานศีลภาวนาเนี่ยก็ทําไปฝ่ายกุศลฝ่ายคุณงามความดีทําหน้าที่ของตัวเองถูกต้องไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรรบกวนใจละ่ะรบกวนก็น้อยล่ะจากนั้นมีสติรักษาจิตไว้ไม่ให้ฉิตไปเอาเรื่องยุ่งๆเข้ามาเป็นอุปสรรคจิตก็อยู่ พออยู่ก็พยายามให้มันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราดำเนินชีวิตถูกต้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องราวอะไรไม่มีแล้วมันก็จะไม่มีอะไรรบกวนจิตแต่มันมีเรื่องมีราวขึ้นมาเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิตอีกคือไม่กลัวอะไรเลยสรุปแล้วไม่กลัวปัญหาไม่กลัวเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่คือใจเข้มแข็งใจมันเด็ดเดี่ยวใจมันอาจฐานมาเลยปัญหาทั้งหมดมาเลยแต่เราไม่ได้ไปทํานะหมายความว่าถ้ามันอยากโผลมาโผลมาโผล ม, มาเราไม่เอา มันจะได้ดับไปมันจะได้สลายไปเราจะได้มีปัญญาเพิ่มพูนขึ้นมาคําว่าอนัตตานัตตาคืออะไรก็ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าอัตามันก็ตรงข้ามกับอนัตตามันก็เป็นเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็เข้ามาบีบคั้นจิตใจเพราะความเป็นเรามันคับแคบเนี่ยมันคับแคบมันก็เพ่งเล็งเข้ามาแต่เรื่องของตัวเอง ตัวตัญหามันก็หลอกให้ว่าทาอันนั้นของเรานี่ของเราเอานั่นเอานี่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอมันทับแคบ ม, มันไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่ถ้าเราเปิดออกไม่มีเราอยู่กวกว้างขวางนะไม่มีเราเนี่ยมองอะไรก็เป็นธรรมชาติไปหมดเลยจิตของเรานี่กลมกลืนได้หมดอ่ะไอ้ตัวจิตนี่แหละตัวหาเรื่องไม่เอามันไม่เอามันไม่เอา ทำไมเอานี่มันกลับเป็นธรรมชาติของมันเลยนะนิพพานอยู่ในตัวเลยนะไม่ใช่เราอยู่ในตัวเลยอ่ะเป็นธรรมชาติไปเลยอ่ะแต่ถ้ามีเรามีเราอมันไปบังไว้หมดเลยนะหวงแห น, นนู่นนี่ยืดติดข้องนี่แหละความยุ่งยุ่งมันมาเพราะเราหลงนี่แหละแต่ก็ถ้าเราลองดูแล้วนะนะบางคนเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆก็ต้องทางของพุทธยอวมี สติปัฏฐานสี่ก็ต้องไม่ทิ้งเอามาใช้เกิดประโยชน์จะบริกรรมก็บริกรรมจะดูเฉยๆก็ดูเฉยๆหวนดูกายก็ดูกายเวทนามาดูเวทนาได้ดูจิตได้แต่มันปล่อยวางกายวางเวทนาปล่อยวางจิตได้ก็เป็นธรรมมแเรามีคนหนึ่งเขาลากลับไปเขาบอกเขาพี่นาอริย ส, สัสีได้ไหมเขาว่าพี่นายังไงเขาพิมาวันนี้คือทุกแล้วก็นี้คือเหตุแห่งทุก นี่คือนิโรธเนี่ย น, นี่คือมรรคบอกได้อันนี้ก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งก็เรียกพิจญนาธรรมเหมือนกันอริยสัจสี่คือยังไงก็คือมาดูตัวเรานี่แหละอะไรผ่านมาก็เห็นเห็นเห็ น, หนามาไม่ใช่เราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันไร้สาระสิที่นี่เห็นว่าไม่มีตัวตนนี่ก็คือทุกทุกนี่หมายว่ามัมนมันไร้สาระมันไม่มีตัวตนมันว่างเปล่าจากตัวตนความทุกข์ที่บีบคั้นจิตก็เหมือนกัน ไม่มีตัวตน้นเกิดแล้วดับลองทำเฉยเฉยเดี๋ยวก็ดับวันนั้นไปสอนที่พระรามเก้ามีโยมคนหนึ่งก็ใส่เสื้อข้างหน้าก็เปโลภาโทสามโมหะอะไรนี่นะอะไรเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่อของเราเลยไงแล้วก็ข้างหลังก็บอกว่ากิเลสคือเสือกระดาษเราเผาเมันทิ้งซะอะไรเงี้ยเขามีก็มีคนถามอีกละ่ะท่านอาจารย์เจ้าคะกิเลสคือเสือกระดาษหมายความว่ายังไงเขาว่าอย่างนี้เราก็แกล้งแกล้งผู้เล่นนะา เอาใครเขียนล่ะใครเขียนก็ไปถามคนนั้นสิเราอย่าถาถามมาทําทไมแก่งแหย่เล่นนะเขาก็โหนเราะก็เลยบอกว่าคําว่ากิเลสเป็นเสือกระดาษนี่หมายความว่ามันไม่มีตัวตนถ้ากิเลสโผมาเราใจเข้มแข็งไม่ทําตามมันมันจะดับนี่แหละมันตายกิเลสนะตายมันไม่มีตัวตนความอยากก็เหมือนกันอนะ่ะมันอยากอะไรก็ตามถ้าเราไม่ทําตามมันมันจะค่อยๆลดกําลังลงลดกําลังลงแล้วก็ดับ ถ้าใครเข้มแข็งก็ดับเร็วใครอดอนแยก็ดับช้าหน่อยหลายวันโอยอะไรอาวรณ์อยู่นั่นแล้วอยากได้วนเวียนอยู่ในจิตบีบคั้นหัวใจยิ่งเห็นคนอื่นได้ตัวเองไม่ได้โอ้เจ็บปวดนอนไม่หลับเผลอๆกับโมโหพ่อบาศเนีน่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวไม่สามารถสนองความอยากของตัวเองได้นู่น่าลุกลามไปเลย ก็มีโยมเขาพาลูกไปที่วัดอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะเขาบอกเขาวันหนึ่งเขาพาลูกเขาไปช้อปปิ้งไปซื้อของลูกไปเห็นตุ๊กตาโอ้ยร้องไห้อยากได้ตุ๊กตาร้องไห้เห็นเด็กคนอื่นเขาได้ลูกก็อยากได้แต่ว่าเขาบอกว่าลูกเขานี่มีตุ๊กตาเยอะแยะอยู่ในบ้านมันไม่สมควรจะไปเอาเพราะว่ามันยังมีเยอะแยะอธิบายให้ลูกฟังลูกไม่ยอมจะเอาท่าเดียวแม่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ให้ลูกดูตัวที่มันอยากได้นี่นะตัวที่มันอยากได้อยู่ให้ดูไปก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวค่อยมาเอาทีนี้ให้ลูกดูไปพอกลับไปถึงบ้านเป็นยังไงลูกเบาลงมาดูสิเขอสอนลูกให้ให้ดูเลยตัวอยากตัวอยากมันกําลังอยากได้ตุ๊ ก, กตาอยู่อะทีแรกร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟพอแม่บอกว่าให้ดูสิแต่ก่อนกับเขาไปวัดอะ่ะเหมบอกเขาเป็นเด็กแล้วก็ให้เขานับใช้ยบีนับ แรกๆ ก, ก็ น, นับนี่ละหนึ่งถึงยี่สิบต่อมาก็หนึ่งถึงห้าสิบต่อมาก็หนึ่งถึงร้อยต่อมาก็สองร้อยสามร้อยห้าร้อยครั้งหลังสุดนี่ถึงพันแล้วเขาว่าคือให้เขาทําสมาธิอ่ะทีนี้แม่เขาก็ตื่นเช้ามาอีกก็ถามใหม่แล้วลูกๆเรื่องตุ๊กตาเป็นยังไงอ่ะโอ้เบาลงครับเหลือครึ่งหนึ่งเขาว่าแสดงความอยากยังมีอยู่แต่เหลือครึ่งเดียวพอเย็นวันต่อมาอีกหายแล้วครับแม่จะเอาไหมจะไปเอาไหมเดี๋ยวไปซื้อก็ได้ไม่เอาครับไม่เอาครับที่ มีเยอะแล้วหนักเห็นไหมมันก็มีปัญญาขึ้นมาแค่เด็กยังทำได้เลยเด็กยังสู้ออกับความอยากได้เลยเด็กแค้นปฐมด้วยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นี่นะมไม่รู้จักสู้กับความอยากความต้องการของตัวเองนี่มไม่ไหวนะอยากได้อะไรแล้วก็ถึงขนาดนอนไม่หลับมันแย่มากๆเลยนะตัวอยากนั่นมันไม่ใช่เรามันเป็นตัวตันหา มันอยากได้เพื่ออะไรต้องการให้ตัวเองมีความสุขความสุขเป็นอะไรเป็นเวทนาแล้วพระเจ้าสอนยังไงเวทนาก็สักว่าเวทนามันไม่ใช่เราความสุขนี่มันก็เป็นเวทนาชนิดเดิมสุขเวทนาจิตเราไปเสเวยสุขเวทนาเข้ามันไม่รู้ว่าไอ้ความสุขนั้นเป็นเวทนามันคิดว่าความสุขเป็นเราสุข คือมันหลงมากๆเลยนะไอจิตเนี่ยมันหลงขนาดที่ว่าไปหลงเวทนาเลยล่ะเวลากระทบอารมณ์มันตต๊บขึ้นในจิตนี่แหละถ้าเราไม่ทันตอนกระทบมันก็จะต้องมีเวทนาขึ้นมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่สุขก็ทุกข์ล่ะหรือว่าถ้าเป็นอุเบขาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็วนเวียนอ่ะมันไม่แจ้งไม่ชัดอ่ะมันก็มีเราอยู่ในนั้นล่ะถ้ามันเห็นว่าโอ๊ยนี่มันเกิดสุขเวทนาขึ้นหมองก็จะดับ แต่ทีนี้เราไม่ทันนะสิพอมันสุกปั๊บมันพอใจขึ้นมาแล้วที่นี่พอใจก็อยากได้พอมันอยากได้สุขเวทนาตัวอยากนี่แหละมันก็หลอกลวงเราอยากให้ไปเอาสุขเวทนาแล้วก็หลงด้วยว่าสุขเวทนาเป็นเรานี่ตัวเราเนี่ยความเป็นเราเนี่ยมันซ่อนอยู่ในจิตเราเนี่ยมันละเอียดละออมากนะเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยอะแต่ถ้าเราทาความเข้าใจมันจะเบาทันทีเลยนะ เวทนาทุกก็เวทนาเหมือนกันสักแต่ว่าเวทนาเหมือนกันตัวตัณหามันก็อยากผักนะถ้าเป็นทุกขเวทนาอยากผักไม่อยากเอาไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้ดับอยากให้ศูนย์น่อยมันจะมีความเห็นผิดแทรกอยู่อ่ะจริงมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปทําอะไรมันดูเฉยเฉยรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใชเ่เราเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยูดอ่ดับไปก็จบแล้วแต่อันนี้มันไม่รู้เลยเรื่องราวเลยเยอะเลยยืดยาวเลยนะ ไปทำนู่นทํำนี่ปรุงแต่งอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องแต่ถ้าหาว่าเรามีสติอยู่ไม่เอาไม่เอาตาัดตัไม่ให้มายุ่งมันจะเข้ามายุ่งอีกแล้วนี่แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะมายุ่งทั้งหมดเลยนะเพราะความไม่รู้ของเราเนี่ยมันทำให้ยุ่งแต่ถ้ า, ร, ารู้ปับ๊บอ๋อเกิดแล้วก็ดับไปตัณหามาเกิดประดับไปอุปทานก็เกิดไม่ได้เแต่ถ้าตัณหามันยังไม่ดับอุปทานยึดไปแล้ว ทีนี้เรื่องนั้นก็วนเวียนแล้วนะทีนี้เป็นพบขึ้นมาละพบนี่มันจะทำกรรมละฮะจะทาตามอานาจของอุปทานอุปทานก็ทำตามอำนาจขอ ง, ออ ต, ของตัณหานั้นเพื่อไปเยาสุขเวทนาเพื่อทำลายทุกเวทนาเพื่อไม่เอาทุกเวทนาต้นตอจริงๆไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรเลย เป็นทวกความโงค่ความหลงของเราเศกสรรปัญญอขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในจิตชาติมันเป็นตัวเราเป็นตัวเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดแล้วเกิดอีกนี่แ่าะเมตตาเปนมันก็ไปเกิดเพระมันเป็นชาติขึ้นในจิตก่อนมันเกิดขึ้นในจิตเราแล้วเมื่อเกิดก็ยังมีโสกาปริเทวทุกขโทรมรัสสายาสสะเอวเมตัสสะสมุดยโยโหตินี่แหละเหตุแห่งทุกข เกิดอย่างนี้เลยก็เกิดทุกข์ในจิตเลยเอาทีนี้ถ้าซึ่งว่าเราจะดับมันล่ะมีสติมีสติคือถ้าเข้มแข็งจริงไม่เอาไม่เอาโผมาตัดทิ้งปล่อยวางไม่มีเราไม่มีเรากายนี้ก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วชัดๆเห็นคนตายมาเยอะเราก็ต้องตายด้วยจิตนี้ยิ่งเป็นนามธรรมาโอ้โหมันแค่อารมณ์นิดเดียวเกิดตึกตึ ก, ตกขณะแต่ละขณะแต่ละขณะ มันยิ่งไม่มีตัวตนเลยอ่ะยิ่งต้องปล่อยอย่างเร็วเลยนะไม่ให้มายุ่งเลยนะและ้วเรเป็นอดีตที่เราเคยทำมาแล้วล่ะออกมาเอาคืนไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องทิ้งอยู่ดีแล่ะปล่อยวางอยู่ดีอ่ะยังไงยังไงก็เอาจิตเราไว้ก่อนนะให้มันรู้ความจริงซะก่อนลิกิบิปเป็นโอกาสเอาจะได้เอาทุกมาสอนจิตเหมือนคนที่ว่าเขาป่วยป่วยหนักเอาตายก็ตายไม่ไปหาหมอจิตจะช่วยตัวเอง เขาว่าขึ้นมานะให้มันช่วยตัวเองแต่เปิดเสียงธรรมะฟังนพดีธรรมะมันถูกจริตจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามันก็วางกายได้มันก็วางกายวางจิตแต่ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าจิตมันเปลี่ยนมันแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้ น, น, นมั่นคงขึ้นมีความมั่นใจในธรรมะของพระเจ้าขึ้นมาทันทีเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว ว่าทําทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเดีถ้าปล่อยก็ได้คือไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นอะไรนะั้ทิ้งเลยจบเลยไอ้ตัวจิตนั่นแหละไม่ได้เป็นอะไรความจริงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พระเจ้าตรัสรู้คือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยอ่ะที่เวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็บอกแล้วพราไม่รู้เพราะนั้นทางออกความดับทุกข์นี่ก็คือว่ามีสตินั่นแหละเห็นมันเกิดเห็นมันดับไปแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ย เห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคำว่าทุกข์นี่มันแปลว่าไรสาระไม่มีแก่นสารไม่มีตัวตนไม่ได้หมายคอามแต่ว่าทุกข์ใจอย่างเดียวนะทุกข์ใจก็เกิดดับเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไรสาระเหมือนกันรวมเข้ามาเหมือนกันทุกความบีบขั้นใจก็เหมือนกัน ปั๊บเข้ามาด้วยอำนาจของตัณหามันจะแป๊บเข้าหาจิตเรามันจะมีความรู้สึกเหนียวลังขึ้นมามีความทุกข์เกิดขึ้นมีตัณหาเมื่อไหร่มันต้องมีทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันมันดับได้ตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามีความอยากขึ้นมาเราไม่กลัวหรอกขออย่างเดียวว่าให้รู้ทันรู้ทันมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวมันจะดับเพราะฉะนั้นทุกข์ให้กําหนดรู้ก็คือรู้เนี่ยอะไรมันโผล่มาดูมันเลย ถ้าดูมันแล้วถ้าเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดีจะปล่อยของมันเองเนี่ยถ้าปล่อยก็เป็นนิโรธอะ่ะถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหตุแห่งทุกเกิดไม่ได้เช่นตันหาเกิดไม่ได้อะ่ะตัวตันหาเกิดไม่ได้เหตุแห่งทุกก็เกิดไม่ได้ความรู้มันก็เกิดขึ้นแล้วเนว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเห็นชัดเนจนแจ่มแจ้งนี่จึงว่ามันต้องมาเห็นทุกเนี่ยก็คืออะไรเกิดขึ้นดู นั th right. Tim, path. Path. So, so, ่นแหละท่านจึงบอกว่าชาติดับทุกข์ก็ดับเนี่ยเห็นวลามันเกิดปุ๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บเห็นมันปั๊บมันดับปุ๊บไปไม่ใช่เรามันดับปุ๊บไปเนี่ยทุกข์ก็เกิดไม่ได้เรื่องอะไรมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เกิดไม่ได้เพราะมันดับไปแล้วเรื่องเรานั้นอ่ะมันโผล่หน้ามาดับโผล่หน้ามาเราเห็นไม่ใช่เรามันดับนี่ชาติดับทุกข์จริงดับทุกข์ดับเพราะชาติดับชาติจะดับเพราะอะไรอ่ะ มันต้องพบดับด้วยนี่ไอ้ทางที่จะดับทุกอะหมายว่าอะไรโผลมาให้ทันน่ะผู้นี้ง่ายอไม่ให้มันสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความยุ่งเหยิงให้กับจิตเราสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตเราให้ทันมันเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับนี่แหละการปฏิบัตินี่เรามีเป้าหมายอย่างนี้แต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าอินทรีย์บารมีมันไม่เท่ากัน ชาติก่อนๆเราทำมาก็ไม่เท่ากันชาตินี้ก็ไม่เท่ากันก็เลยให้ปฏิบัติตามอัธยาศัยใครพอดียังไงก็ดูไปแต่ได้พูดถึงเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าเป้าหมายจริงๆจุดหมายปลายทางจริงๆก็คือไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราได้เลยพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมตรงนี้ตัดสู้ตรงนี้เลยสิ้นอาสวะเลยถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ก็เห็นแต่ว่าเป็นของเกิดของตายภูเวียนเกิดเบียนตายเนะี่ยระลึกชาติได้ก็คือเห็นว่าเนี่ยขันห้าเนี่ยไม่มีของเกิดของตายเกิดตายเกิดตายแล้วเราไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไปเห็นการเกิดการตายของสัตว์อื่นด้วยทีสิสัตว์อื่นก็เหมือนการเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นวิสัยของพุทธเจ้าจากนั้นก็มันก็ไม่เอาอะไรส่อาสวะก็สิ้นไปนั่นะทีนี้เวลาพระองค์มาสอนอ่ะ ก็ไม่ได้สอนตามแนวทางของพระ อ, องค์อย่างเดียวพระ อ, องค์ก็ประทานคาสอนเอาไว้กว้างขวางโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่เนี่ยหรือโพธิปัจิาธรรม37 ป, ประการอันเนี้ย อ, องค์ก็สอนตามอัตยศใสยด้วยใครเหมาะสมจะสอนตรงไหนก็สอนไปบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าบางคนก็ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มด้วยศีลชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีมีทาความเห็นให้ตรง จเจริญสัจฐานสีไปปฏิบัติเพียรไปเพียรไปก็บรุเป็นพหานได้เพราะองค์ก็สอนให้สํำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติของจิตมันเร็วมันเที่ยวไปเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมาลมมากุ้มลุมจิตใจได้ง่ายมากเพราะนั้นต้องรีบตัดให้เร็วรู้เท่าทานันจิตของเราตัดให้เร็ว องนั้นฟังเสร็จเรียบร้อยไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพลหานได้นางประชาบดีโคตมีไปหาพระเจ้าไปขอฟังธรรมยอ่อๆอาวุธยาก็สอนว่าอันไหนที่มันประกอบด้วยทุกข์มันเป็นกิเลสอ่ะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยให้ละมันให้ละมันความมักมากก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยให้ละความไม่สันโดษ ไม่พอใจสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ให้ตัญหามันดิ้นลนอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ใช่ทมไม่ใช่วิ น, นัยให้ละความเกลียดค้านไม่ใช่ทมไม่ใช่วิ น, นัยการเลี้ยงยากไม่ใช่ทมไม่ใช่วิ น, นัยให้เป็นคนเลี้ยงง่ายมีความเพียรสันโดดทาเราได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาอ้า น, นั้นเป็นธรรมเป็นวิ น, นัย คือสอนให้รู้ว่าอะไรควรเสพควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องนางก็ไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพราหันได้แต่นางมหาประชาบดีโคตมีนี่นะบรรลุด้วยโอวาทของพระองค์หนึ่งนะนางมหาประชาบดีโคตมีนี่มีบริวารห้าร้อยที่ไปบวชเด็กกันน่ะเวลาบรรลุทมไม่ได้บรรลุด้วยธรรมะไม่ได้ฟังธรรมของพระเจ้าก็มีพระองค์หนึ่งจาชื่อไม่ได้นะพระองค์นี้อะ่ะ ท่านพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากสอนภิกษุณีเพราะว่ารู้สึกว่ายีภิกษุณีก็มีมีคณะของนางมหาประชาบดีโคตมีนั่นแหละพระเจ้าก็ให้จัดภิกษุไปสอนนะไปสอนไปสอนนางภิกษุณีเนี่ยพอตรงนิพยายามหลีกเลี่ยงปัดอยู่เรื่อยเพราะว่าท่านเนี่ยระลึกชาติได้ว่านางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมบริวารทั้งห้าร้ยเนี่ย เคยเป็นสนมของท่านท่านเคยเป็นพระราชาแล้วพิกษุนีทั้งห้าร้อยเนี่ยเป็นสนมของท่านท่านก็เลยนึกขึ้นมาว่าถ้าท่านเกิดเป็นนั่งแสดงธรรมอยูอ่เกิดมีคนมีตาทิพอะสามารถล่วงรู้อดีตได้ก็จะเห็นภาพว่าท่านเนี่ยกำลังสอนพระสนมทันละอายท่านไม่กล้าไปสอนโอ้ขนาดนั้นนะจิตของคนเราเนี่ย ท่านก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรวจดูล่ะตรวจดูอัธยาศัยภิกษุณีเหล่านั้นก็เลยเรียกพระเทรามาแล้วก็สั่งให้พระองค์นี้ให้ไปสอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นคำสั่งของพุทธเจ้าก็ไปไปสอนก็แสดงธรรมเรื่องนี่ละ่ะขันห้าเรื่องอะไรนี่ละ่ะละอุราณขันห้าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราโอ้นางภิกษุณีทั้งหร้อยทราบซึ้งมากเลยนะ แต่ยังไม่บรรลุปเป็นพระหลานกลับมาแล้วกลับมาพระเจ้าก็สั่งอีกว่าให้ไปสอนซ้ำอีกในวันพัสต่อมาดูสิเี่ยนะพาะนี้ไปแสดงธรรมอีกซ้ำเรื่องเก่านางพิกษุณีทั้งห้าร้อยกำลังทราบซึ้งอยู่โอ้เข้าใจแจมแจ้งประหารจิเลได้หมดเลยบรรลุปเป็นพระหลานเลยดูสินี่คนที่เคยเกื้อกูลกันมามันฟังแล้วมันก็จะเข้าใจอะ่ะมันก็อยากฟัง ถ้าคนที่ไม่เคยเกื้อกูลมาฟังมันก็ไม่เอานะฟังเข้าใจด้วยจิตมันก็จเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยเวลาจะบรรลุเป็นประานก็คือต้องไม่มีอะไรเป็นเล่านี่ละ่ะปล่อยวางหมดตดัดทิ้งไม่เอาปล่อยวางเลิกไม่เอาอะไรไม่จดไม่จ้องด้วยไม่ต้องดูอะไรเลยวางอย่างเดียววางแล้วเฉยเลยเฉยเดี๋ยวมาปล่อยอย่างเดียวเลย นีขั้นเวลามันจะวางจริงๆอ่ะมันไม่ได้เอาอะไรเลยนะคงในยึดอะไรแล้วเนี่ยมันปล่อยหมดแล้วนี่แต่เราก็ต้องรู้ความพอดีของเราว่าเออถ้าว่ามันมันเอาแล้วมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วเราก็ต้องมาเจริญสติศาสนาจิตมันอ่อนลงไปมันเบลอเบลอบริกรรมให้เร็วบริกรรมให้แรงบริกรรมสั้นๆมันหลับมันเผลอมันเพลิน มันไม่อยู่กับปัจจุบันเอายาวๆได้หาคโบริกรรมยาวๆเลยไม่ต้องมีรูปแบบอะไรทั้งนั้นขอให้จิตเราอยู่กับตัวเราจิตอยู่กับปัจจุบันนี่ที่เวลามันต้องกลับมาหาทางทางเดินบางทีเราจะไปให้มันสุดเลยมันยังไม่ได้เราก็ต้องเดินไปตามทางสายเดิมนั่นแหละจนกว่ามันจะวางได้ เอาต่อไปให้ปฏิบัติตามลําพังนะก็จะเดินสั่มวจดูโอ้เดี๋ยวนี้ไม้สตินี่มันต้องสามอันนะเนี่ยก็จะลองดูหน่อยเลือกวันยาวๆหน่อยจะได้ทั่วถึงเอสํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะหยุดล้จะหยุดแล้วตั้งสติให้จิตตื่นนะตื่นตื่นแล้วก็รู้ด้วยตื่นรู้รู้อะไรรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราได้จริง ยร่างกายร่างกายนี่มันชัดๆอยู่แล้วนะพอนั่งอยู่นี่มันตายกันทุกคนนะ่ะตายหมดมันต้องตายแน่ๆตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แน่ๆแสดงว่าต้องทิ้งแน่ๆเนี่ยมันต้องสอนจิตเราให้มันรู้ความจริงให้ได้ก็ความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วเนี่ย เราหลงขนาดไหนความจริงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความหลงของเรานะเราจะหลงยึดขนาดไหนก็ตามอะเราก็เอามันไปไม่ได้แน่แน่ต้องทิ้งมันแน่แนอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปให้ได้นี่จึงเรียกว่าเราได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นสามารถเอามาสอนจิตของเราได้ มันจะได้รู้ว่าเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่ในโลกเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการขนาดไหนมันก็เป็นไม่ได้หรอกพราะโลกมันก็คือโลกนี่แลเนี่ยคือธรรมชาติเราก็แค่ผ่านมาเฉยเฉยเหมือนเรามาบ้านไทยเดี๋ยวเราก็กลับไปแล้วเราไม่ได้เ อ, อะไรไปด้วยเรามายังโลกใบนี้สุดท้ายเราก็อะทิ้งโลกเอาไว้อย่างนี้ สรุแล้วเอาอะไรไม่ได้เลยยิ่งจิตน้อยนามาทำเวทนาก็เรื่องแค่ความรู้สึกเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นตัณหาเราเชื่อมันไม่ได้ตัณหานี่ถ้าเราไม่เชื่อมันไม่ทำตามมันเดี๋ยวมันกรดับอีกมันอยู่ที่เราเนี่ยปัญญาเราถึงมันไม่ถ้าตัณหามันดับอุปทานก็เกิดไม่ได้ถ้าตัหาไม่ดับอุปทานยึดไว้เนี่ทุกทันทีเลยมันยึดแล้วนี่ทุกทุกตอนยึด ตอนตัณหานี่ยังไม่เท่าไหร่อ่ะเพรามันอยากบ่อยๆปับ๊บมันก็เป็นอุปาทานทันทีอันนี้เป็นทุกข์แล้วมีกรรมแล้วมีภพแล้วมีชาติแล้วมีโศกปริเทวะทุกขโทมานัสเซวปยาสาแล้วประจอบกับสิ่งไม่อนเิสัยรักเป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ไม่ได้ปรัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์รวมแล้วอุปาทานในขันต่งางานี้คือตัวทุกข์ คือมีอุปทานเท่านั้นเองมันเกิดมาก็เพื่อให้เราเห็นมันเห็นมันว่ามันเกิดดับเห็นมันม่าไม่ใช่เราเพื่อให้ละอุปาทานบางความทุกข์นี่บางทีมันก็ดีมาสอนเราเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่อยากให้ทุกข์เกิดพอเกิดมาแล้วมันเจ็บปวดมันทรมานมันก็เลยดินรนอยากหาทางออกหาทางดับทุกข์ถ้าสุขนี่มันยิ่งหลงเลยนะสุขนี่ก็คือทุกชนิดหนึ่งแต่ว่า มันทนได้ง่ายไอ้ทุกนีม่มันทนได้ยากก็เลยเรียกว่าทุกเอาสุดท้ายแล้วนะให้สำรวจดูเลยนะที่นั่งอยู่นี้มันมีอะไรเป็นของเราจริงไหมมีไหมให้มันเข้ามาดูข้างในเนี่ยจะดูเป็นรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันก็ดูได้จะดูเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้ มันเอาอะไรมันจะเอาอะไรเอามาเพื่อร่างกายเหรอมันไม่รู้หรอว่านี่ของตายของตายนั่งรอความตายเวลานั่งเรานั่งไปนี่มันก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงไม่ใช่ไม่แก่นะที่นั่งอยู่เนี่ยข้างในมันเผาผลาญมันสลายกันอยู่ดับสลายเกิดดับกันอยู่อพรุ่งนี้เช้ามามันก็ต้องรีบเติมธาตุเติมอาหารใส่เข้าไป ไปซ่อมแซมส่วนที่มันตายไปนี่มันตายอยู่ข้างในอยู่แล้วมันแก่ลงไปทุกขณะทุกขณะอยู่แล้วเราหลงขนาดไหนมันก็ไม่สามารถยับยั้งความแก่ได้หรอกไม่สามารถยับยั้งความตายได้มันจริงว่าไม่ใช่เราเอาให้จิตมันเห็นให้มันรู้ให้มันเข้าใจ แล้วอะไรที่มันเป็นนามธรรมอ่ะเกิดแล้วก็ดับพวกเวทนาทางกายนี่ถึงมันไม่ดับแต่จิตเรารู้ว่าไม่ใช่ของเรามันก็ฟางเฉยได้เจ็บก็อยู่ส่วนเจ็บไปมันไม่ได้ดับดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญตรงว่าจิตเราเนี่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นไหมมันเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเราก็ มันไม่สนใจหรอว่าเกิดดื้อดับไม่เกิดหรือไม่ดับมันไม่สนใจเพราะมันไม่มีอะไรผลต่อจิตเราแล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นอุเบกขาด้วยปัญญายานไม่ใช่อุเบกขาเวทนาชนิดที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ว่าวนเวียนแบบหลงหลงอยู่เป็นอุเบกขาแบบไม่รู้อันนี้มันรู้แจ้งตลอด มันก็เลยวางเฉยด้วยปัญญายาณเนี่ยถึงเรียกว่าอุเบกขามันลาบเรียบสนิทไม่เอาเรื่องอะไรมากวนถึงยังไม่หลุดพ้นมันก็แน่วแน่ลงไปลึกซึ้งลงไปขณะที่พักก็รู้แจ้งด้วยรู้รอบเลยอะไรเกิดรู้หมดเนี่ยมันต่างจากการที่จิตลงไปนิ่งไปแช่อยู่ เป็นการพักในงานพักในงานขณะที่พักก็รู้ทั่วรู้ตัวทั่วพร้อมรู้แจ้งแจ้งก็คือเห็นว่ามันทุกอย่างก็อยู่ข้างมันอย่างนั้นเองมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาสุดท้ายแล้วประกาศขอโหสิกรรมนะะเนื่องจาว ก, กรรมมันเยอะมันก็ได้ขอโหสิกรรมบ่อยๆล้างกรรมออกไปจะได้เบาบางนะ มตัตตาสงสารเป็นอย่างนี้ล่ะเราเกิดมาแล้วก็ต้องทำกรรมกันทั้งนั้นล่ะเพื่อให้มันล้างมนทินออกจากใจเราอ่ะเพื่อใจเราเท่านั้นล่ะที่เราทำเนี่ยเพื่อใจของเรากรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยผิดบาปรวงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงค์ข้าพเจ้าข้อหสิกรรมซึ่งโทษที่ได้ร่วงเกินนั้น นับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอกายถวายชีวิตผู้ทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอกายถวายชีวิตผู้ทิศแด่พระธรรมขอมอกายถวายชีวิตผู้ทิศแด่พระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง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 ขบว่าเจ้ายินดีให้อาภายัยให้อโหาสิกรรมแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินขบว่าเจา้าต่างไฟายต่างให้อาภายัยให้อโหาสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปแล้วก็ทำความรู้สึกให้อาภาัยให้หมดเนรละละ้างออกไป ห, หมดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าไปเก็บเอาไว้ทิ้งปล่อยวางละถอดถอนไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาอะไร ไม่มีอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วแผ่เมตตาจิตให้จิตเรานุ่มนวลควรแก่การงานมีเมตตามีความปรารถนาดีมันมีค่ามันเป็นคุณค่าของจิตใจจิตใจที่มีเมตตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไปไหนมันก็มั่นใจในตัวเองมันเป็นคุณค่าอันหนึ่งของจิตใจว่ามีเมตตาอยู่ในจิตของเราเนี่ยถ้าว่ามันเต็มที่มันมันไม่ต้องแผ่ต้องอะไรนะ ถึงเวลามันก็ทํางานของมันเองเมตตาเนี่ยแต่เราต้องฝึกสกปร์อุทิศบุญก็เหมือนกันถึงเวลามันอุทิตได้ออกไปจับจิตได้เลยจากนั้นก็ให้เนี่ยเราตั้งใจอุทิตบุญด้วยนะขออํานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจประสงค์จงดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรนายเวรของข้าพเจ้าให้เกียรติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพรนยาลูกหลานพี่น้องภู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้เกียรติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้ที่มีส่วนกุปฐมคำ้ำจุนช่วยเหลือเกินนุน บริหารจัดการดูแลแก้ปัญหาทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปได้วยความลาบเลือนเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในบริเวณนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านเรือนที่ทำงานร้านค้าบริษัทคลินิกโรงงานโรงแรมไรนาสวนที่ดินในสมบัติประสานทุกชิ้นทุกอันของกรมเจ้า ให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญจากคระพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิน้อยบุญไปให้บุญไปเราอยากให้บุญใครเพิ่มเติมก็ให้ไปนะวันนี้พอแค่นี้นะ